คุ่นพระพุทธธรมพุ่นพอคุณแม่พระพุ surf, history, i i ทธธรระสสมพุ show, ่นเท้าวดเท้าดาพรอินทพระุมพระย่อมพระกาลเจ้สรุปกับบานาซีพุ่นแม่ตโรคธาตุมันไร้ึงพุ่นฟุทัพพระพุ่โทษพุเนี่ยพุตโทษก็ถือวัดตั้งแต่โรกธาตุเนี่ยเขได้รอเลยแตนในสี่ที่ทอฟุตโทษไม่ใน้ไตโรกธาตุถ้าโม่กัอยุหันสังโอย่หันไปอ่าที่ไม่ทำอาการใจยุหันพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ห้อมลงอมนะฟุโทษระธรรความสำพพุทธเจ้าทุกทุพระองค์ห้วมล ฟุทโอารยาสงของพระพุทธเจ้าทุกๆองค์หวมลงอะไรพุทธโอหันวัดนหะขเท่านั้นจะทำอะก็สความสงสัยหอกเาว่าคือสชินนั้นคืองชิดีอันนี้เคืองนหนักถันยอดพระไตรปิฎกอันนั้นก็ยหวมรอไพุทธโอหันวดคําำสอนคำคำสรางสอนอนไรก็ได้ผู้เรม่อหันวัดจบวันเดียวเรวาจำวันก็คือวัดไม่ใชเงี Cross ้ะเ ตเต้าตอเจ้ไปซื้ออ่ะอืมสักผู้ที่ทำง่ายๆว่าคลายบ่มีสักผู้คลายเจ้าักครายเลยเจ้าซักคลายเลยสักแขนแร้วว่าแล้วสักจะมีบ่มีไมว่าบ่มีอืมสักผู้ที่เราบ่เงิเจ้าซื้อเป็นร่ำรวมัคือตาแย้มตายใช่ไหมตั้งใจมากตั้งใจมากเ่แล้วเจ้อเจ้าักครายเ้าซักคลายเยอะสั่นเรื่องเลยสักแขนไมยเพดไดยสะร ซักัแขนลายไม้เพลเป็นทุ่งทายซมึงมาสั่นกูนิดใจมึงเครื่องกูยิ่งาสั่นมึงซักร้ไม้หว่ดเตียวมาสั่นขรเดดั๊ตั๊มึงบอมีบอกงนดาบสเสกูจะหาเอาสันเมื่อาแต่กูก็จะซักวนี้แล้วมันเจ็บมาั่นเมื่อาักไม้เพลิุ่งทรายาั่นขันไ้มาว้เาหล่อซานมงเก็บอยู่หอซานมึงมันหัน ร้อานเมื่อวันก่นสำัมนั่นมันเช่้าเลยร้อจานเมื่องสนก่อนขั้นที่รถเกียร์สิบสองเกียร์ิบสองเป็นทูบาวเกียร์สิบห้าคัดเลือทหารเกีร์สิบหาคัดรลหารทหารอนเี่น เสเพียงการ้องกับข้าราชการบอบอมี่อมี่ย่งพ้อกับพ่เนี่บมีับบ่าวองยนจับบ่าวมันนี้จับมันกันเหลอากเอาไ้่อแ่นบ่สยคือเดียว่าันสมาตำรวจเขาได้ด้เขาเขาเขาื้อ่าคนอนเขาคือทษเก๋ ตอนกเว่าเก่งมันงแถมแบบว่ามีมีมลคตานี่ขนาดน่ะเขารักคนเจ๊เขาก็เอาแล้วมันหมดทหารแล่วะกวนมันมันบถือจังสูงเงินนี่จะกนมันซักซักคือข้าราชกาะกวนกับทำเนียมเขาซักก็คือ เียเลยค่ะเี้ยนทไมวะล่ะเื่อจะซักว่า้ค่ะเพื่ากินซักในตันตัวน่งนมอวผมดมเสื้อผมดังเอ็นยีอเดีร์ค่ะในตกจะแฉ่ได้่เตียแลเมันีใหมังยูนี่อให้มัแเดกเด้กเดิวใอะไรตันันก็เด็กเด็อเด็กเด็กเด็กเดกเด็กเดก็กด็กเด็กเเดกเด็กเเกเด็กเดเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเดกเด็เด็เด็กเด็เดเ็กเ ก่อนที่ร่างก็พี่พอก็ะเป็นต้านักเล่นอยู่นะฮะการเตือนจะเป็นต้านักเล่นเป็นกับโมพยานใจนะขึ้นมากเลอขึ้นม่าเราเออย่าต่ขึนเพราะว่าเราขึนเก่งโมโม่ด้วยิด้าดเลยของใจด้วยทางมังคุดว่าสักไล้ท่านี้ของ้นักเะเกีบ่ม่เหรอบ่แม่เขาเหียวเขาหนักมันก็มีสองจำพวกกับพวกนึงก็ซักเพื่อของหัมี่กับพวกนึงซักกซือ พวกนึงคือข้าลยเห็นแล้วคือว่าเป็นของงามว่านเถอค้าลายพระกษัตริย์ข้าลายสระพระกระนุงอันพาไหมเนื้อพักกระเทียวสระเห็นตาบักนัดยทบเข้าสันเขาว่าเลยือได้ถือว่าง่ามว่าสัน ซอซื้อน <c oughs> ับทังเรือนังือมันซื่อสิแปนะบอ่อไปซื้อเอาไปผูกอะกรผมจ้ามันกับวถือว่ามันเรียกว่ามันพันสาเรียกแต่ปรื่าหามากปัหารอนตัวหส่ื่อรัวสื่อน้มขาครเ่ออกเรั โซ克拉บไม่เล็กนมพผาโบมี่มิแตคิพหายไปหวอดนะโซ克拉บเล็กผาเนีมิแตบเลิ่นการพูดได้ารพูดได้เว้นเลยโซล拉บกาพูดได้บเวนลยมีเตคิหายกัพืชกับพืชอันเ แเอาทั้งตไมไปบูซามันมันแทงบกมันแทงวดเ่านหัวคนหัวสีจากตัวได้ผะปอนมันอันนี้บูซ่าขี้เหร่วดหลานนี้ว่ม่นบูซารมาทรงเจ้าบูซาขี้เหรกับเจ้าของน่างหนึ่งนี้มีเงื่อนหลายร้านไปเรียนเลขเขาบอกว่าวันนี้นางผิพิมพ์คนผะรวนแล้วเอาม้าเอามาเอามาพ่อพ่อไม่มีสินไ่มีผาทายอาบน้า ลุกอาบเลยปั่นกับปั่นลกอาบ น, น้ำย่ำขืนเขาบอกคนพกเครเ่องคนงนีเงินหลายล้านที่่ายวัดดูสั่งมาบวกขื่นเลยด้วยไปให้งานทั้งหลายเขาขอบอกว่เอ า, า, าคนมีเงินถึงปันนี่มาลุกถังปันนี่เราบอกว่าเอาเอกให้งานนะท่านชี้เสียงนะ่านก็ว่า คนมีเงินทั้งวันเลยรักษาเงินมาไวเอามาเสียเด็กเสียผาเงินปทานเป็นนักเลีงโต ว, ว่าเอ า, เาว่าวไปทงานไปหลับจากส บ, บายของเขาเขาบอกเงานได้เข า, า, เ, า, าเขาบอกสีมีจากพันล้านก็ไม่สีไม่ขันเอามาเนนะารีนเลขนะอมยูหรอกตระกูลอันมัง่งคั่งต่างเงื่นมาลเลยพจะรณ์สีมาแสวงพาะพัสรุ ท, ที่หายแล้วมาบุญละนาพัสรุ ท, ที่คำฆ่ามองจากประมาณในการบริโภคสมบัติ ตั้งสัติีหรบุตรทุศีนให้เป็นแมเฮื่อนพราเฮื่อนบุรุษทุศีนก็คือคนเล่นเลขเรียพลาเรียบ้านเรีนเบื่้ามีเงินปันให้ลูกห้านก็ว่าได้พาสามือเข้าตายเนี่ยเข้าไปเนเลขวัดพอาเข้าภาเขาเรียนเลยดีปฏิศพเขาข้าเฮื่อนยูกเขาพานเผาซ่อมมันเสียหมเหละเงินปันให้ก็เสียให้ปันหน้าก็เสียหน้านักหลวงฮักร้านเข้าไปเร่นเลขเรียนพาม่านก็เอาเนี่ยเข้าไปให้มรดกปันให้เขาไดมันก็อกไปวัดั้เห้า เ่อเอาไปเรียนเนเป็นภาัดบัคือยากอันนีู้ขนเราบอเล็เนี่ยเรากอบอเล็ตตะปูเราบอเล็ตอะตะปูเราอย่างยากอันนี้ตอคาวาเก็เรีนเลจักกว่าหมจักสร้างพิษส้งือภาษาบาลีท่านกิฟหายแท้ยังเข้าใจว่าเป็นท่านเจริญเฮ็ดยังไงไม่้ได้สร้างว่าเห็นโกจักรว่าเป็นดงววเห็นจงหัวเปนเป็นฟูโอเล ไอ้พอไอแม่เคยแฮงไก่ชะนอ๊ะสองจุดหน้ามือเจงเพราะว่าน้าผาไก่กรวโดเข้ามือปูกว่เห็นไฟรอนอันเดียวอันเดีวอ๋อเรื่องนี้มาแล้วโอ้เขาลุกลุกทำโลกทำสงสารไก่ไก่ไก่ไก่ไก่เนี่ึงมันทุ่งให่ออกไปเพราหลอดเพาะไอ้ต่งคืนกรเขาทั้งพักของไายทังวันไปเพราะอด มันต้องงานให้กันพักไรตั้งคืนเอาตามพักเจ้าของคนใดประโยชน์แก้พักเจ้าของหอยงเสียเอาคนใดประโยชน์แก้พักเจ้าของเ่าบอเอาดั น, ดนกันยังหันะ่ะชิดพักแทงดันชิดชิ ส, สเออแม้แขมมีหลายหลายพัก พ, พ็ทรเจ้าไม่พักเดียวพักทั้มากท่ปาไตชงไหนเพราเป็นถ่ะผู้ดใดมีม่ชิดที่คาดๆ า, านว่าเชียงไห้ที่เป็นถ้มผู้นั้นก็มี่ มีสที่อนุทนาอะไรพราะเอาค้ามสอนมาพุทธเจ้าเป็นดึงเนี่ยอันนี้บ่มีดึงเนี่นี่จีเพตู่้ใดรลาย เ, าเอาดึงเอาดึงน้ากิเลตผู้นั้นผู้ใดร้ายไม่จีเรตผู้ใดมีพักม่มากละลาบไปมู่มากลาบไปทั้งดีของแม่นหรกลาบไปทั้งชรัวไปต้องเหี้ยววัดอีห น, อหนึ่งก็คนรวยสรนั่งคตชามิะน่อยคนถูกประเนคนถูกมรหกคนรวยสรานั่งคัามิถุกสรน้อยงทุก่อนปานมาบัดํา มาหน่อยเรียกแ่ะคาได้เอมันูนออกอนนัก่กใจดีกับไปเรียกใช้เดียาได้ใจว่ดีกัเรียกว่าได้หน่อยพอไข่อะไรมันโทษข้อมนี่ทําเป็นโรครบาลคุ้มคล้องโรคค้องยางพระพุทธเจ้าคนละหลูกระเบิดนิยวเครือปืนมาไต้ว่าคุ้มคล้องโรคเครื่องโรคเครื่องล่าอาวุธยุทธภัณฑ์มาไต่ว่าพระพุทธเจ้าท่าทําจะคุ้มคล้องโรคได้นี่อยู่ความละอายตาบากความกลัาาวตาบาจะคุ้มคล้องโรคได้เป็นโรบาดนง ทำเป็นโรคบางคุ้มคมลองโรคสองอย่าง ค, าาวความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะคุ้มคมลองโรคได้ถ้าโรคมันมียาอายตา่อบาปไม่มีความกลัวต่อบาปแล้วต้นไม้ก้หมู่ก็ทักกดนพว ก, กก็ตั้งไม่อยู่อู่ของทําให้นําคํานึงก็งหมดที่พึ่งพิงองอาศายทำความชั่วในที่แจ้งมาได้ก็ไปทําในที่รับหมันมแมนจะพ้นวัฒนาอีกปวดมันก็แมนอีกหือว่างไรสั่นกฎหมายทีย่ตั้งขึ้นตอนไดนจะสร้างมัมียาอายมันก็ซ้ำเก่าหันแล้บาปมันก็มาอยู่ตัวบริษัาอาเก็บตปอคุณ บุญมันกับมันมันตัวบอดอยู่น้ำตัวบอดสรู้กับตัวยอผู้ยึม่ยูน้ำหัวใจแต่ละคนอยู่ว่างไลยนี่มีพระพุทธเจ้ามีคำสอนพระพุทธเจ้ามีผู้ปฏิบัติศา ส, สนาแสกแสร่างไรโลกก็ซือแร้มันจังไม่ปักตู่เพราเดี๋ยวบางนางกันย่นเพราสัางแห้งไปบา ง, งาแล้วบอกที่ซื้อโ่ยไม่บาปไม่บุญไปได้บ่หรอเห็นกันแม่ย่าบ่ท่านตาแต่บ่ได แต่กระเจิงไม่ละเนี่ยในโลกอะซื้อซือว่้ไม่บาไม่บุญหัวเสมาแลนประชาชตินัประชาชติเชืปะไตน้าเขาหนวยมัดทุ่นทู่ระบาดเนี่ยมองขันว่านับชิปบะลูกห่อไม่จะผาค่าชิ่งร่อนจอดหรอถือรงทุนไปย่งกระบาดไมไปว่าไรละปานนั่งนึงเรียนเลขนั่งจะผาค่าชิ่งร่อนจอดเรียนเลขร้ายอ่ะ เหรีเล็ยงจะาราค่าชิงหล่อนจาดมาเดียวเงินอนลายล้านเอาไปทิพายนําเล็กวดเรื่องอาบน้เขาลงทังผานุ่งโหลดไปเดียวเขาลงเงซือเพิยบมาคนขนาดเครื่องคนเหระหน้านี้มีเงน่ลายอันลายล้านเนีน่ยสันรูปยยนอนเหรีเล็กว่าสันเรียญนด ก, นกนาชามลีลายอะไมาอยากพวกคนเลรีเล็กรัๆน้องมึงร่ เวลาตายแล้วบุญเงินถึงก็ไฟผ่าแล้วล่ะมันหรอคี่หลังมันเงอนกับมีญน่ะหายคนจีนมันมันมีเงินมันมดเหมือนหมดจังกองแขนก่องขาอย่างมดอดหลอดของเจ้าระหลงโบราณของพ่อแม่มาดิ้งกิงแกงน้าหอน้ําไทยอย่งอะว่ามดเงินรอเงินห้าเงินเบาต่พอจะแม่ั่นนหาก่องแขนก่องขาคงอย่งเสียมืดไทยก็เสียมืดหน้าก็เสียมืด เรียนให้คาเชีให้เรียนหน้าคาเชียหน้าไข่ไม่เฮืร์นไม่ร้านเอาท่านไข่ไม่เด็กไม่ฟาบ่มีบ่มีน้ำเสียหมดกบุตรเจ้ากุข้องโลกกุข้องโลกก็จะพัดได้ถอดไดคําสอนของบุเจ้ากลัมโลกด้วยคือฝ่าน่ะไฟเสียฤกษ์เสือฝ่าบุษเสือฤกษ์เสือกระาังกลัวโล ก, รร ด, กด้วยตํานั่งยศสูงด้วยตำหนพ่งไฟตีราคาลงตำปะในกระาังยศสูงตํ า, านัา่งไฟฉยคะแนนไม้คะแนกนกระตง เข็มทิศไพศาลขณีอันมหาขณกร้าังผิดหนึ Saint, ่งอไพศาลขณีอนหาขณีอนกระซางเข้มทิศกับสี่ปรยชน์ังเหระเป็นเมืองเขืน pues ของทิศเหนือโยธราเกอนนั่นาน้องคองึบางก็เป็นเมืองขือนของมหาสมุทรทะเลโยธรรมกอนเสี่ยในทางลึกเชี่ยในทางลึกึ้เพื่อให้คำหนึ่งในไร้ทางน้่พหมาน้องคลองมึงบางต่างๆไร้ลงสู่มหาสมุทรทะเลโดยไม่รู้ตัวฉันใด คำสอนดใดๆก็อะไรตรงสู่คําสอนในพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวฉันนั่นไม่พูดอีกก็จริงอีกนะเชื่อไปในทางสูงเสิ่นที่จะเป็นขีดล่างๆก็เชื่อไปในทางที่เหนือโดยไม่รู้ตัวใดคําสอนดใดๆก็เป็นเมืองเครื่องคำสอนในพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวฉันนั่นถ้าเป็นโรกบาลคุ้มคล้องโลกสองอย่างเอาอ่ะเอาตับมากินละเอาบีของโลกไม่กินละก้อนน้ำเชี่ยต่างกันจะพันลานกร้าังจะท่องได้เลี้ยนไหลกว่านี้ก็สระซังเทไง จิตของคนบาทเต็มข้อยุหันมันก็ถือตักฎหมายเห็นเดียใจของคนมันทำมาถือกันเนี่ยสีว่าควเก่าเห็น๋ยถ้าสั่งการะกิเลสจะปฏิเสธได้บ่เนี่าพุทธศาสนานั่ปฏิเสธไม่ได้เสอหันเมื่อการอาบน้ำปฏิเสธไ่ได้การนักงใจิตใใจก็ปฏิเสธไ่ได้ที่สังเนียมื่ออาบน้ำมันทกขกอีร่างกายอ่ะคันไม่มีท่านไม่มีศีลไม่พ่อวันหน้าไม่มี สินสินทำยังไงิมันกระโสขิกูยจิตใจจว่าจย่งไสันเอานั่นรับได้ด้วยสวยไดเลน่ะเนี่ยกินปลาเหลือกบระ้ามันเจอกลางยุ่นนี่ห่ะจะว่าไรละครเออขอกุกขุนตัวละครกรรมในผลเขากำมันมีอยู่อ๋อกรรมในลเขากำมมึงไม่ของแม่กรรมในผลเขากำมี่อ๋อสารตัดสินสานใจสวนที่เสร็จเป็นข้อรับสั่นรับเสยอยัางจะสร้างไม่เพราถกกับแป๊กขอดพูตัดสินมาแมนยน เด็กอดไสจำโสดจำเลยพ่นเสือกสันวันหนักพ้นของกรมบอกสั่งหลนพระหมะูกขล่าไปเห็นไปเห็นเผียรไเห็นเพียพมากสองปากนี่และผู้เขาคิดจะกูดโลมาก่าวช่วนพระองค์เก่ามันเป็นบุพกรร ม, มิยังนะ่นบุพก ร, รมเป็นทนายแล้วท่านกินทั้งทั้งโสดกินทั้งจำเลยท่าสนสารพัดที่กินะ่น ตายไปก็ไปตกมรรคออกกมรรมากผเพสองปากรุ่นี่ยวะันนนี้เขายังเสพผอกเจ้าบมีกำหนดสันจับปานไหจับุเจ้าองค์ใดวะสันนั่นสารใจสวนสารตัดสินผลของกรรมละเข้าไปจับไฟกับบุมยากษ์บุญตองหาพยานไฟมันมันเบิดพยานเองสารใจส่วนสารตัดสินเกิดยุ่หันว้นเหอ ให้ผลเมื่อรับอย่างกระป๋อยบอกิี่ข้อลรสั่งก็ไปผลของกรรมการเดียวกัน่ะขําดีก็คือสันข้ามึนตาคือมันเห็นงวงสิมันได้เยอภัยานามาจะใสสันมันเอาคนนั้นมาตับสินให้เห็นหวงสันเอาว่นจะตาบวบวันหรอกข้ามึนคือได้ที่สว่างวันเนอกนั่นคนเสียกรรมแล้วผลของกรรมขบงเสือพระพุทธศาสนาคือเก่าโกบเก่าคนเสือกรรมแล้วผลของกรรมมันต้สิเสือพระพุทธศาสนา ถ้ามันจิบหายแทบแทบเข้าไปมันยัดกระทา่งเจริญมันก็อันเดียวกับกับพวกพอเยกสู้ไปมัญญัดว่าคาสัตไปไปสวรรค์อย่างนี้มัควมเยวกันแล้วคือเขาห่อเข้าไปมัญยัดเราหวันปนได้กสร้างสมอสละสนั่งเอาน้ำตามใช้มาใช้ก็รดอเมื่อขมยิ่งซ้ำเก่าหันเพรตุผลมันขมเหตุผลมันจิบหายเข้าเปมนแไปบัยัดมันเจริญได้ั อ้ยมันกิบวันใดแหละว่าั่มาจางเขาว่าเอาบเนี่ยสร้างออกผู้ทคนนะเขาก็ไปใส่ื้ออีงอรหันอรหันก็ทำไปอีกางมจ้างให้ผมแต่เอาไปอย่างสื่อมันมาสำคัญเนี่ยถือว่าแบขี่แบกรดก็สร้างทำมันเพื่อนดีมันก็ดีทีว่าไหมถือว่าแข่่มกับไรก็สร้างประพฤ่งเที่ยวจี๊ดถ้าฝนกระซัมกรผมบอคือนับสือ หนึ่งหน้ามาเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูกันเล่นเนท่นการพนัพ น, นควบคุชั่วเป็นมิจฉียดต้านทํางานในทางที่ชอบเป็นทางแห่งชีบหายอยู่ซึ่งหน้าเสื่งปากาพระพุทธลมสานโหนเอกพระพุทธเจ้าพระพุท ธ, ธเจ้าองค์ไหนก็นมาท่ายโกองกันพัดท่ายแค่เดียวเธอกันปั๊ดพระพุทธเจ้าล่วงไปแล้วก็เธอกันพระพุทธเจ้าจีมาทางหน้าก็เธอกันพัดเห็นนท่านจึงเป็นสยามผู้ เป็นผู้สอนโลกรัตธาเทวมนุร้านั่งเป็นผู้สอนของเทวดาแในมนต์รัชหลายจึงส่งเปลงอุทานได้ ย, าา ย, าย่างเพื้นผายมาฟังมาเลยคําสซอนกระจ้าเป็นหุนเอกทา่าประเทศเดียวท่านละ่ะบริษัทเอกท่าหารุ่นกับท่าความเก่าอยู่บริษัทความใหม่ไปรักเถอบรถคันในฟูดล่องมาเรบ่มีสองตอนนี้มันเป็นบุญเนาอตอนนี้มันเป็นบาปเนาะก็เป็นนี่ที่พูดได้เปเสยบอะ ตอนนี้ช่าทิบหายได้่พื่ได้ไปเลกัิพยหายเพชดน้อยกับทิพหายหน่อยเพชรร้ายกับิพหายร้ายตามเหตุผลที่ทำให้น่อยแลทำมาตอนนี้เป็นบุญได้เหรอแต่เพชหน่อยกัเป็นบุญเพชร้ายก็เป็นบุญร้ายเหน่อยกเป็นบุญห่อยบุญนีหมายผมแลยพบนี่แล้วพบนาพมซัวคือกัน่ะให้ผลในจิที่ทำกัมีบุญในเหผลในจิตที่ทำกับมีให้ผลเป็นลำดับของศัสตร์ของผมกับมี่บาปก็คือกันหลคือเรืงองพุทธเจ้า ไว่างยาเข้าพ like ิษถึงแท้ผุนแท้ซามมาแล้วไม่มีเนนมันยังนํามานํามาเยอะสุดศาสตร์เจ้บเยอะจนสาสตเขาสู้พายในผ่านนํามาบรดาอัไปกินหมูงวดคอหน้าจุนทะขาม่านบุตรซัดเท้พระเน่จอดเลยว่าโคชินาราลงพระโลหิตล่องพระโลหิตคืคืออาเจียนเป็นเลือดนคทายเป็นเลือดลงพระโลหิ็อะไรหายพระเกียรตใช่เป็นว่าซับราซาลับซับพระพุทธเจ้า ทรัพธมสัตว์สูงลงพระโลหิตใช่เป็นทรัพราซาลงพระโลหิตคือคือคอาจารย์เปล่ยนเลือดทายเปลนเลือดนอะว่างยาเขา้าไปไผสีเกง่ง่ันผลของกำมไผเกง่งฝันในกระบอกอายุเหนือกำแล้วคนของกำไปได้น้าตามมัดหัวซาข้าสูกุกนันย่ า, าแต่พวกเป็นพระรันแล้วมันจะตามไปตัอกับพระถิงนั่ฮะ เสไไปกเสริที่ขั้นห่างคนเขาคนบ่มีเลือดื่มอาหารก็บ่เสรแล้วเขามีเลืควาหับในทางหนังทางเขานี่นั่นไปมันกับประคอดที่ขั้นห่างตามมาท่านสกุละหลังกายของคนสกุละล้วหลังกายของคนคนผลไยจากเกลือดว่าก็มาถึงทขั้นห่างอุปมาคือเข้าแก้สงแก้ผาถิ่มเหมือนทางนทางเ้าบัสเชไดพูได้ว่าเกลียดเลเ้าผาเข้าบเผไฟ ข้าวขสี่แยกหอนยังงเข้าโมยุลำเปล่าเนอะข้าทิมเนะบอกดาจาราพุทธเจ้าก็ไปไดต่ตกลอกไปหาเจ้าของอ่อนแหละกรรมกระป๋าเขาเจ้าของเขา่าคาพระหมกข้าราพระโมกข้ารากรรมว่นที่เก็บเดปวดนอนฝนเขากำขึ้นไปหาโจนหาลอยพระเจ้าพิพิสาเก่าไทยเล็กไทยออกฟังลเพ้งหัวใจเขามีฟังเพียงเอ๋อเมี ไช้เลี้ยงตรงนี้ทักมาตทักาป่าปุ่นใช้ของทุกวันเลยนี่เสียเต็มโลกเพราะยังพอหาเงินเสียเอาทางรัฐเมื่อไยจิบหาทางรัฐจีอีพ่ออีแม่กูเอ้ไปยืมธนาคารมากขันนี้เงินเดือนประจำเดือนมาพอฝฟัไปสงมงวดเขาหลายเดือนนักเขานักเขา่เขา กูไปเชื่อเลยทุกบัทก็น่าฮาเทียได้ไว้ยสันหลือว่าแต่แต่หาแลางเทียมันสีไดอ่ะอันว่ามันสีเสียหรือบาวาัวจะเทียมีแตว่าเทียมันสีไดอันว่ามันสีเสียหรือบาวาัวอือราบเอาตัวมกัก ย, ย, ยังไงเราบ่เอายังสันกูไปจับไฟมันก็น่าเทียมันสิเย็นใช่สนบอกทีมฟื้นสีไฟไฟเพื่อสีแแรกเอาโดดก้อนขึ้นจะไปหาออกก็ได้จะขุนฟื้นมัน กี้เส้นโดนไหมมันกัไม้เส้นึ่งาดนนะมันสมมุติอะไรมาเงินสิบันทามันมาเอาไปมันเอาไปทางหลานหมอมันมาเอื้อมมือไปแล้ววอง์สั่นีหมเออกระเึิแค่นึงสิมือนึงสิเพื่เนอด่างเพี้องเงบเพี้ยงเงียบไปเถอะหซื้อหน่อยว่าพ่อมาสมเกียจกูเพราะว่าใบสองสาบาทมันมัดไปอีกหลายพวกเกาซำนั่นมันมันมาสมเกียจกูเพราะว่าดอก ต้องปลุกถึงใจขหน่อยออกว่าเนี่ยถึงใจเขหน่อยถึงจบไปได้พานมาเละยิ้มายมาเละยิ้บพายมาเลยขาแมนนะออเห็นเขาถือบาทนึงสามบาทหนี่ฮะ้ายกันกูกถึงสายก่อนะเพื่อนมาสนุกใช่ร้อนทำาเพลินสูงมัน เขาหนึง่งได้เหย่อวันหัวไส้เอาไว้พวกขาอหยื่อวันหัวไส้เขาซีร่าซื้อเราเขาซีราา่าน้ำตะกุนเสียงลำนั่นถึงย่ำคำเราผ้าวนหน้าสันแล้วว่ไปหากินเราเม้าฟินมาสั่นใส้ซื้อจากข อ, องว่า <c oughs> ถือเลขมื่นหึ่งถือเลขมื่นหนึ่งกันซื้อเกือบบวกว่าใส่แล้วหวาน <c oughs> <c oughs> บอกว่าใสกับสื่อรถมาใสสื่อนาฬิกามักแขนมืออันกับใส่เสือแยิ่ขึ้นไปอันนี้กับเนปปกาที่หาอันคนทางท่างมาแดงสีจะโตหรอกขึ้นไปในเส้สายอำเภอผมขึ้ไปเส้นสายในสายอำเภอเนี่ยจะน่าย่อกระซุกรถอ่อนซุกมันไม่หาที่อนีุ่กเกาอีไมให้เขาเห็นว่า เป็นคนโกงคือจะเป็นคนหาคนไม่ะถ้าไปแทะหนังสือว่าอะไจ้ตทานทาคักเ ส, กส่ได้หรอ <c oughs> ท, ทา่านทาคับท่านท่านพห า, หากงัดออกอดรอดรถทอดแต่ไส้เขาก็เอาไปรถจักรยานเขาก็เอาไปนาิกายมือซื้อตั้งเกือบหมื่นผืนเขาเอาไปแล้วเกือบบกอกกับ่เห็นไปอ่อนต่อนไป <c oughs> ไปร้อยเข า, าอีก หน้าก็ไปอีกค่อยก็ไปอีกบาดเนี้ยเอาเดากันหน่อยกันเราไปขี่กันหน่อยกันรักไปสมุทายมากแต่เราซื้ออะไรร้านเห่ากระเพื่อนก็มาเสียงเห่ายังไงว่า<ะ>มาล้านแม่ลูกไผ่ซ้ำครั้งนี้รู้ไหมลูกไผ่ล้านไผ่มาเถียงมาเสียงยุ่อโดนมันวมามยามเป็นบางเสือ พขาหายขเขาไปเร็นบวงเรีย น, บบนเบี้ยเมื่อสักครังถ้าแล้วเทือมันก็ได้ยุ่นี่ย้อลงปูพ่อจันเอ อ, เออเอาขูดสีถามสูงสุดจะสุสข้าแล้วฟังหามันคักพ่อจันไปเอาเสียว่าผูกไวม้มาสิย่างนี้่าสันเอาว่ า, าพรู้ใช่มเอมว่างไงเอาหน้าทงให้หลวงมึงใส่มาซันเว่าคำนันมึงโจงวไวแต่เดาจักคลิปหลังนพอคนทางรอกมืองอกอยู่หน้าตงนัน มีปลาเข่งแก่ห อ, อ น, นั่มเดือนหาวะะีเ็ดหน้าปีและซองเทืากระไหน้าทงหัวหลงปลาเข่งตัว น, น้อยก็มีนน ห, หน้าเดือนหาหน้าเป็นหน้าให้หลวงทวงก็ไม่ทวงที่เฮ็ดหน้าฝังสักปีและซองฟีและเท้ากระไรก็เลยเกี่ยวเข่าขึ้นเห็ดหน้าตามท่ามาหน้าปีเห็ดหน้าฝังอยู่กันยังได้ยู่ยนี้นาใช้คำ <L un it> เ, เอาไว้ดอกจักสิบล้า น, นาะฮวนงยาม ง, งมึงมึงเอาไวใ้ในดอกจักขาล้านะฮะมึงก็มาขายไปเนเลขมดแมนบอกว่า เราื่อนมึงทุกันเพือนมวรดกมึงเฮื่อนสองหลังมึงไงเสายีฟซีทนเอายีฟซีทนข้างกลวงยีฟซีสอบข้างกลวงยีฟซีสอบสองหลังเนี้ยติดกั น, นติดกันแฝดยีฟซีสอบข้า ง, ง้าวกะเนาหาว่ามันถึงจะเมกเก็ดเขเจ็บว่นไหม ว่าเฮี้ยงเท่ากันปเม็ด14เม็ดเนอะ14เม่ดอ๋อ14เม็ดอ๋อัา่านี่ไปใส่ยังไงท่านนีเดี๋ยวเฮี้ยงั้วอีกกระเล่าอีกซี่หองว่แเ้วก็ที่ดินว่าันกะอโคว่ะขมันขายในดอกจักหารานว่าไปใส่วัดมึงมาว่ะดี๋ยวนี้มึงอยู่เฮ้ยตูปยเหรวะนั่นะมึงจะมานรวยตัวเดียวนี่ว่ะอยู่เฮี้ยตูปว่รวยทเรียกรายอะไรแต่อยู่เฮี้ยตูปมึงว่ะ นั่นละมันได้มึงเถียงว่ามันได่นั่นะมันได้ว่าสัตว์มึงว่าว่าคันมึงได้มึงเปลียนจากว่าเจริญขึ้นมาหน้ามึงไปสวนมึงไปใช้เงินมึงไปใชว่ามึงในเขเชื่องอยู่แด้ยวในเเื่องยึดอยู่ว่าสันย่ปุนอ่าจ้างนอยถ่ายก็ปูได้ปูมันยังไม่บรรยูว่าสัตว์มันยังไม่หูมึงเสยาอะไรก็ปูได้ว่าน่าอเสียจะทุกสิยันั่ะมึงจะว่ามึงได้แล้วสันปูมุจชีดังนี้องสูงวัดเหนือ ตระกูลอันมั่งคั่งจะตั้งอยู่นานไม่ได้เพราะสถานเสียสูพอตั้งตัวใดสู้ตั้งตัวว่าไรเห็นบอกว่าหนึ่งไม่แสวงหาพัสดุที่หย้ยแล้วตระกูลจะมั่งคั่งบันไดก็อสร้างตั้งอยู่ได้เพราะตั้งรูปอะไรเพราะสถานศีลหนึ่งไม่แสวงหาพัสดุที่หย้ยแล้วสองไม่มูลน่าพัสดุที่คำฆ่าสามไม่รู่จักประมาณในการบริโภคสมบัติสี่ตั้งสัตรีหรือบุรุษทูตจะเป็นแม่เรือนพ่ อ, พอเลี้ยผู้หวังจะดำรงตระกูล ควเว้นสาสถานสี่ประการนี้อสียสถานไหนสถานหนึ่งหลับหลวงไปหมดพวกนู้นชิมังข้างมาในกระาังสีไมเงินพันล้านก็ตามตังยุบอะไรบุคคลผู้ทุศีนไปข้องมอดระลึกตังยุบอะไรชิบหายหมดมั่งขั้งมาในกรต่งตังยบอะไรพวกนู้ซับพ่อตั้งตัวได้ก็ตั้งตัวว่อะไรพ่อเรียนอวัยวะมุกพ่อไปแฮปชิบหายพระมูลหนึ่งนี่เถียงพระพุทธเจ้า ขาจ้าวอเนลายเน่าดอกว่าท่ีเป็นเจ้านักเลงสุราเน่เดียวว่า่นแวอื่นกับว่าเป็นพู้นึงกนว่าบ่เห็นล้าเนดอกว่าท่านเป็นเจ้นักเลงการพนันเน่เดียวว่าั่นู้นึง่าเห็นล้าเน่ดอกทีเป็นจ้นักเลงยิงผู่เดียวว่าท่านอ๋อแข่งกันมนพวกสามคนไหว่าท่นพวนักเลี้ยงยิงกับเป็นข้าวข้าเป็นี่แล้วข้วเขาแงะมีอังแงะอ่ไปบินถ้าบอด หนึ่งกิโลจึงเข้าไปในเมืองเดี๋ยวนี้อยู่กลางเมืองแล้วเดี๋ยวนี้นั่นเพียงสี่สิบปีเท่านั้นนั่นว้านรามาวับวัดนี่คำพุทธการเขามีเหมือนกันคำมวาสีอรัญญาวาสีนัดอรัญญาวาสีเขาแปลว่าวัดป่า พอเรามาศาสตราเกิดก็เกิดที่ป่าลุมพินีวันในระหว่างเกืองในระหว่างกืองกลางแห่งพระนครทั้งสองในป่าลุมพินีวันในระหว่างต่อตะเก็บของกรุงเทวทหะและกรุงก บ, บิลละพัทจะไปเยี่ยมญาติก็เลยประสูติที่นั่นประสูติอยู่ป่ารัตสรุก็ตัสรุอยู่ป่าสมนตพุทธคยา แสดงท ร, รมาจับก็แสดงอยู่ป่าอิสิปตนนมิขทายวันแขวงเมืองพารานสีปวงอายุสังฐานก็ปรงอายุอยู่ป่าเมรวันสวนแม่พา ย, ายวัดป่ากาลันดะเป็นที่อยู่ของกระแตป่าแมาา่พายเจับพินไปสารถวายอยนี้น่พาน ก็ทิศตะวันออกเมืองกุชินาราใ น, นระหว่างรางรางทั้งคู่นั่งสารวัโอทยานนักนักงนั่นนนที่เราจะลังเกียรป่าก็เท่ากับว่าลังเกียรพระพระบรมศาสลาสิเพราะพระบรมศาสตราองค์ก่อนก็ทําอย่างนี้เหมือนกันกุกทุ ก, ท ก, ทกพระองค์เลยนักงนั่นัน่เรามองเห็นหน้าเดียวไม่มองดูพระไตรปิฎกพูดอะไรไม่มองดูพระไตรปิฎกไม่มองดูตํานานของพระพุทธศาสนา พูดได้พูดเอารากมายอมมันกับเเถียงดินี่แล้วเอียงพราะความลักใครจัดกันเรียกชั้นขาคติน้เอียงพราะความไม่เข้ากันเรียกโทสาคตินล้วเอียงพราะกลัวเรียกพยาคติ ลาเอียงพ่เขาเรียกโมหะคติพราะกดในเรื่องนั้นไม่แตกเขาเรียกว่าลำเอียงพ่อเขาลำเอียงพ่อกลัวถ้าจะพูดก็เกงมันมันมีอํานาจวาสนามากเรียกพยาคติถ้าจะพู ด, พ ถ, พดถ้าจะให้คะแนนมันก็ไม่ให้เพราะดารังเกียรมันเรียกว่าโทสาคติน่มันผิดสักเพียงไหนก็ตามก็ให้คะแนนมันก็เรียกว่าสันทากตินั่ อคติสี่ประการ น, นี่มันควรระพฤต์พระบรมศ า, าลาบอกนะสิ่งไหนที่เปลียนเกลียวพระพุทธศาสนาพวลกลูกหลานอย่าไปทําเนอ้อไปมารอดเนอ้อค่าขายเครื่องอาหารค่าขายมนุษย์ค่าขายสัตว์เป็นเรนะื่อสัตว์ที่ตัวข้าวเป็นอาหารค่าขายนํามันค่าขายยาพิษการค่าขายหาอย่างนี้คือข้อห้ามของชาวโลกให้ประกอบ สมบัติของชาวโลกทาพการประกอบด้วยศรัทธาเชื่อในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่ถือมงคลตื่นข่าวคือเชื่อกรรมไม่เชื่อมงคลไม่แสวงหาเสีบุบนนอกพุทธศาสนาบำเพ็ญบนแต่ในพุทธศาสนาชาวโลกตั้งตั้งในสมบัติท่ักการซึ่งเมตตาพิบัติทาพกการซึ่งตรงกันทางนี่ภุงของาระสวดาวันพุงเข้พระสวดาวันไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดสินห้าเน้อนั่นไม่เสียดายอยากจะครบเมตชื่อไม่เสียดายอยากจะเล่นอบายมุกพุงเข้พระสวตดาวันไม่เสียดายอยากจะถือศาสาอื่น ไม่เสียดายอยากจะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ขายไม่เสียดายอยากจะทําหน้องปูน้องปลาขายไม่เสียดายจะขายเครื่องปะหารเครื่องดักดักสัตว์น้ําสัตวบกมันพูดเพราพโซดาวไม่เสียดายอยากจะขายสุราหรือเบียรเมื่อท่านไม่เสียดายอยากจะลองแล้เมือท่านก็ไม่พ่อปฏิบัติไม่ลําบาก ทำไมท่านถึงไม่เสียรายก็เพราะเห็นว่ามันเป็นทางคีดหายตรงๆท่านดึงลงไปทางถูกแล้วมันก็ถอนไม่ออกพวกที่ดึงไปทางผิดมันถอนไม่ออกมัอนกันเช่นแมลงวันอย่างนี้มันก็ถอนมันไม่ออกมันดึงไปทางผิดแล้วไปถอนดูดูมันเด๋ย้อนมาต่อปากเราไม่แนพู่ไม่แน่พึ่งมันก็ถอนไม่ออกไปไล่ให้มันถอนดูสิมันก็กัดหัวนะ ประชาธิปไตยอานอประชาธิปไตยถ้าประชาชนทั้งหลายหนักไปในทางกี่เด็ตันหามากกพากันไปตกเหวตูว้มใจหมดดฉะนั้นพระพุทธศาสนา จ, จึงเป็นธรรมะมที่ปไตยอยู่ทุกยุคทุ ก, ท ก, ทกสมัยของโลกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ได้ล่ากพรบกันเลย พระเจ้าองค์ไหนองค์ไหนมาก็ลงเ อ, อยกันหมดมาในล่างเท่กันเออองค์นี้วัวหารไม่ดีเท่าเราพระพุทธเจ้ามากกว่าร้อยโกดจะมาในข้างหน้าหรือล่วงไปแล้วก็ดีจะมาในข้างหน้าเข า, า, ขามากกว่าร้อยโกดอีกเหมือนกันแต่กลับก็สาสงไข่อาสงไขกลับแล้วเพราะพระพุทธเจ้าจะมีอีกจีพระองค์ก็อาสงไข่องค์อาสงไข่พระองค์อีกเหมือนกันนั่นสาวของท่านสาวิกาของท่านจะร้ายขนาดไหน ก็มีมีประมาณด้วยเป็นธรรมอันเก่าเอซัตธโมตันตุนะไม่ได้ลบล่างพรวกันเมื่อพวกเรานะ น, นั้นคํำสอนพุทธศาสนาจึงเป็นดีของชาวโลกถ้าชาวโลกไป ม, มองดูพพุทธศาสนาไปไม่ไหวเน้อไปไม่ไหวเน้อเทิดทูนพระพุทธศาสนาเป็นการเทิดทูนดง ภาษารีบุตรเทศทูนพระพุทธศาสนายิ่งกว่าพระองคอ์อื่นๆเหตุฉะนั้นท่านจึงมีปัญญามากพิจารณาคุณของ พ, พระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่มีประมาณภาษาดีบุตร พ, พิจารณาคนพระพุทธธรรมพระสง์ไม่มีประมาณถึงจะย่นลงมาเป็นเอกคนในปัจจุบันก็ใหญ่หลวงหาที่วางไม่ได้ถึงจะขยายออกเป็นพระวิสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาคุณพระมหากรุณาคุณ ก็ไม่มีประมาณอีกด้วยแผ่นดินนะสองแสนสี่หมื่นโยศมันยังมีประมาณคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีประมาณเอาประมาณโอโคตโธเอประมาณโอโโมประมาณโอสังโกอย่างพึงไผ่เลยไม่ประมาณคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีประมาณพระพุทธศาสนายังอยู่ยั่งยืนดุงเราก็เหมือนเหมือนอยู่คงชีพด้วยเพราพระพุทธศาสนา พินาศลงชาวพุทธจะอยู่ได้หรือแล้วก็เหมือนมอดม้วยสุดสิ้นสกุลพุทธถ้าตัดป่าออกแล้ว พ, พระไตรปิฎกก็ไม่ครบวิช า, า, ารัทธิอีกนั่นีอเนาะศาสนาโวหารศาสนาโวหารทำคำสอนของพระบรมศาสดาก็มีว่าถ้าเราจะย่นลงจะได้ไหมตอบให้สมฐานะ เราเล่นย่นลงในปัจจุบันนั่จิตปัจจุบันนธรรมใปัจจุบันนั้นปัจจุบันนั่ศีลปัจจุบันนั่สมาธิปัจจุบันนัปัญญารวมลงในอันเดียวกันเป็นเอกันในบาปเรียกภาษาข้าขหูรวมลงได้เหมือนกันก็ตอบอย่างนี้ย่นศีลลงเป็นหนึ่งย่นสมาธิลงเป็นหนึ่งย่นปัญญาลงเป็นหนึ่งกลมกลืนกันในปัจจุบันในจิตปัจจุบันนั่งธรรมนั่นเองถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีใครจะพ้นความสงสัยไปได้แล้วก็ตอบอย่างนี้ พระพุทธศาสนาเขาได้เน้นว่าปัจจุปนันจะโยธรรมังผู้ใดเชิญธรรมในปัจจุบันผู้นั้นแม่งอ่อนแง่คนในทางพุทธศาสนาจะไม่กล่าวตูนตูนด้วยจะไม่สงสัยในพุทธศาสนาด้วยปัจจุบันมันมีอยู่ครบแล้วเป็นเพียงเราไปเห็นเฉยๆไอ้ที่แท้มันครบหมดแล้วปัจจุบันเราพิจารณาดินดินจึงจะมีเราพิจารณาน้ำน้ำจึงจะมีเราพิจารณาไฟไฟจึงจะมีเราพิจารณาลมลมจึงจะมีอย่างนั้นไม่ถูกเพราะมันมีอยู่ในปัจจุบันหมดแล้ว เราจะเห็นหรือมันเห็นไม่ขึ้นอยู่เับเห็นแล้วมันเห็นตาหูจมูกลี้ยงใจใจความการมีอยู่ในปัจจุบันแล้วจะบัญญัติหรือไม่บัญญัติไม่เป็นปัญหาแก่เก็บตายก็มีอยู่ในปัจจุบันแล้วจะบัญญัติหรือไม่บัญญัติไม่เป็นปัญหาอนนี้จังทุกคั้งอนัตตามีอยู่ในปัจจุบันแล้วจะบัญญัติหรือไม่บัญญัติก็เป็นปัญหาทางที่ออกจากพ้นทุกข์ก็มีอยู่ในปัจจุบันแล้ว สีนสมาธิปัญญาก็มีในปัจจุบันปัจจุบันนั้นสีนปัจจุบันนัสมาธิปัจจุบันนันปัญญามารวมไว้ในปัจจุบั น, นยิบก็ง่ายหายก็รู้ดูก็งามตาเข้าใจง่ายไม่ให้กระจุยกระจายกันไปทำทั้งหลายรวมตัวกันอยู่แล้วแต่เราเข้าใจว่าทําแต่ทั้งหลายแตกกระเจิงกันไม่ได้แต่ทําทั้งหลายมีอยู่แล้วไฟสังขารก็เกิดดับอยู่ไมไ่มีตรางวันกลาืนไฟวิสังขารก็ไม่เกิดไม่ดับอยู่ไม่มีตรางวันกลางคน ห็ในใจเข้าครั้งหนึ่งเห็นโลกรอบหนึ่งเห็นทั้งอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยเห็นทั้งเสียสมาธิปัญญาด้วยเห็นทั้งพระพุทธธรรมประสงค์ด้วยเห็นทั้งคณะจิตไม่เบียดเบียนด้วยนั่นแหละคือตัวเสียงสมาธิปัญญานั่นแหละคือตัวพุทธธสรม์เราเห็นอย่างนั้นจะเป็นทางให้เราเบื่อหนะใครมองในวัฏสสารได้โดยง่าย ทำบันไดที่พูดภารวัลย์ชนะโสดสักเพียงใดก็ตามแต่แม้ทําให้สสดสังเวชนในวัะเจ้าสงสารก็สู้กาสิษเดียวไม่ได้ตระกลพระศาสนาตอนอย่างนีเมื่อใดเห็นสั้งขานั้นไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตามื่อท่านด้อมหน่อในทุกนั่นแหละทางแห่งิุสุทธินั่นแหละทางแห่งสิ่งมสุทธิสมาธิมุสุทธิปัญญามุสุทธิกลมเกื่อนกันในปัจจุบันเลยเห็นความกันทับรมห้ใจเข้าออกด้วย เห็นอันนี้จังทุกคั้งอาราตาเห็น ค, คนมาพุทธประธรรมพระสงค์พ่อผานกำลงผานใส่ขาออกด้วยเรากไม่งสงสัยเลยรวมศีลรวมสมาธิรวมปัญญาลงในปัจจุบันรวมพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาในปัจจุบันรวมแปดมื่นสีพระธรรมะขันธ์ลงมาในปัจจุบันไม่ต้องคว้าปัจจบันนกิจปัจจบันธรรมในที่พุดธพจนนะครับอบอกเมื่อไรสืพวกเราจะรู้รราาตามเป็นจรงิงปฏิบัติตามเป็นจริงรู้พุทธตามเป็นจริงหรือทุกมาไม่มีประมาณเทิน มันต้องว่าในอนาคตการหรอกปัจจุบันในจิตปัจจุบันธรรมอะไรที่รุดพ้นมาครอบก่อมเมล็เสษจ้องรู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงรุพ่พ้นตามเนจริงเป็นขณะขณะอยู่โดยทุกเมื่อเทินพิจาาตรงนัน่นต้องว่าอนาคตอนาคตมันนานต้องแต่มือยาวๆกดทาไมซึงไม่ยินดีในอนาคตก็เพราะพวกเราสร้างมาเรามีแต่สร้างมาแล้ว <c oughs> พวกว่าเรามียังเต็มที่ อ, อนาคตการนั้นเถิด อ, <c oughs> อนาคตการนั้นเถิด ผู้บริวารมีแก่ข้ามาแล้วก็ปัจจุบันธิปปัจจุบันธรรมมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติลมสมบัตินิพานสมบัติพระบรมศาสดาสอนไว้แล้วใจมีคุณเป็นมหารมีโทษเป็นอนันต์ถ้าทําถูกก็มีคุณเป็นมหารถ้าทําผิดก็มีโทษเป็นอนันต์นอกจากไกลไม่มีอันไดจะทําโทษให้เกิดขึ้นนอกจากไกลก็ไม่มีอันไดจะทําคุณให้เกิดขึ้นนอกจากไกลก็ไม่มีอันไดจะทําบาปให้เกิดขึ้นนอกจากไกลก็ไม่มีอันไรจะทําบุญให้เกิดขึ้นเพราะมันเป็นหัวหน้าเขา ใจทำบุญขึ้นแล้วบุญก็มาอยู่ที่ใจใจทำบาปแล้วบาปก็มาอยู่ที่ใจแม่นนต้อนเ ข, าข่าคอากยากมันโคแล้วกับมือนึกถึงเวลาใดก็เดือดร้อนในเวลานั้นบาปบุญแล้วนึกถึงเวลาใดก็เป็นที่อุ่นใจในเวลานั้นแปดหมื่นศีลธรรมมาขันยน่นลงมาหาใจทั่านเพระพระเจ้าทุกทุกองคก็ย่นลงมาหาใจท่าน ถ, ถ้าขยายออกก็ขยายออกจากใจถ้ายน่ายนก็ย่นลงมาหาใจ ถ้าทบุญมากเขามากออกไปจากใจถ้าบุญน้อยก็น้อยออกไปจากใจถ้าทำบาปมากเขามากออกไปจากใจถ้าไม่ทำก็ไม่ทำอยู่ที่ใจคนอื่นจะมาทำแทนใจไม่ได้จิตนท้นจึงให้รักษาใจตัวเดียวปานาที่บาทอาินาการมมุสาสุราถ้าใจไม่ร่วงละเมิดก็มีศีลตัวเดียวมารวมอยูีใจเป็นเชื่อกห้าเกลียวพูด <c oughs> ถ, ถึงพระสวรบันไม่เสียดายอยากร่วงละเมิดศีลห้าเนืเออ้อ ไม่เสียดายอยากเล่นอบาลนุกเน้อถูกถึงพระสวัสดิวันแล้วไม่เสียดายอยากกระถือศาสตาอื่นไม่เสียดายอยากจองเวทท่านผู้ใดโกรธยู่แต่ไม่จองเวพระสวัสดิวันโกรธยู่แต่ไม่จองเวไม่เสียดายอยากกระถือศาสดาอื่นรักที่อื่นไม่เสียดายจะจะถือว่าอยู่ยงคงกพันเรื่องดยามดีไม่เสียดายอยากถือยามไหนก็ดีหมดถ้าเราทำดีถ้าเราทําชั่วมันก็ชั่วหมดวันเดือนปียามมันไม่รับ บาปแล้วบุนก็บุคคลทั้งหลายมันก็อยู่มีแต่เมื่อทรัพสว่างเท่านั้นแต่พวกเราไปทําดีแล้วก็ไปตู่ว่าวันดีเราไปทําชั่วตู่ว่าวันชั่วไอ้ที่แท้เราเป็นผู้ทําถ้าว่าวันดีวันชั่วเอถ้าวันไหนวันชั่วเขาเสียทีก็ต้องมาเป็นคนขอทานแค่ปอนพ้นจากวันดีไปแล้วทุ่มจากวันชั่วไปแล้วจึงมาเป็นเสียทีอีกนั่นมันเข้าใจะผิดท่านั้นเท่านั้นเดี๋ยวขอสวัสดีปีใหม่ แต่ว่าใครจะตายกว่าพี่กายนี่ใช่ไหมเราทำดีในเวลาไหนก็สัตดีในเวลานั้นเราทำชั่วในเวลาไหนเวลาไหนมันก็ชั่วในเวลานั้นมันไม่เลือกการเลือกเวลาเราจะไฟในเวลาไหนมราก็ร่อนในเวลานั้นเราไม่จับมันเขาไปร่อนอันเดียวกันเราอย่าไปสงสัยว่าศาสตร์นาอยู่ที่ไหนก็ถืออยู่ที่ดวงใจของเราพุทโธไปเาผู้รู้ใจทาโมซ่องไว้ซึ่งตีใจ สังโฆก็ปฏิบัติใจให้ระบาดบําเพ็ญบุญต ก, กลงพุทธโธธโมสังโฆอยู่ที่แห่งเดียวกันเป็นเชือกสามเกลียวอยู่ที่ดวงใจของเรานนั่นเองอริยธรรมเอธิตัวนั้นเออริยธรรมคือทำอันประเสริฐก็มีอยู่ที่นอนและชนธบรมบรมาัจจะสอนให้เราปฏิบัติง่ายๆหาพุทธโธก็ต้องหาอยู่ที่ใจเห็นก็เห็นอยู่ที่นั้นไม่เห็นก็ไม่เห็นอยู่ที่นั่นเช่นหลวงปู่มั่นเดินจงกรมภาวนาเขาถามพวกเชียงใหม่ถามหลวงพ่อหลวงพ่ อ, พอเดินจงกรมทําไมเดินทําไมเดินก็ไปก็มา พุทธเราหายเราหาพุทโธเห็นไหมเราหลวงพ่อเห็นเห็นอยู่ที่ไหนเห็นอยู่ที่ดวงใจนี่มันหายมันก็หายออกจากดวงใจถ้ามาหาก็จะเห็นอยู่ที่นี่ท่านพูดถ้ามหาที่อื่นมันก็ไม่เห็นท่านพูดอนั้นท่านบอกเขาเด็กน้อยเขาถามท่านหลวงพ่อหลวงพ่อเดินก็ไปก็มาทําไมเออเราหาพุทโธเราพุทโธเราหายเห็นไหมเห็นอยู่ที่ดวงใจนี่เองเห็นหายก็หายออกจากนี่ท่านบอกให้ปฏิบัติง่าย พุโทโธพุโทโธฟ้องเขาลมหายใจเขาออกไปในรถในเรือธโมสังโคลเขาอยู่ด้วยกันท่านผูดด้ใดถึงว่าพูดธธรรมประสงค์แล้วสิ้นลมปราณก็ไปสู่พุทธมรรคอย่างต่นเลยอย่างสงูงก็สวัสดาวันกฐาคามีนาคามีพระหันท์พุโทโธอันเดียก็เกี่ยวถึงธโมสังโคด้วยเราเห็นหน้าก็เห็นตาเห็นแจ้มเห็นจมูกกันใช่ไหมแต่เราพูดว่าเคยเห็นหน้ากันอยู่พูดอัปสรย่ แต่ว่าเห็นตาเหมือนกันเห็นแก้มกันเหมือนกันเห็นหูกันเหมือนกันแต่เราไม่พรรณนาฉันในกรดีเราว่าพุทโธก็ถูกทรรมโมสังโกอยู่ด้วยเราจําหนังก็ถูกเนื้อถูกกระดูกเหมือนกันเราจะเข้าใจวราจําหนังล้ ว, วนมันก็ไม่ถูกเราของโอโยธัยนะมันพดเกี่ยวย้งถึงกันอยู่นขัดให้มีปัญญาด้วยจึงสซีมความสงสัย <S <S พุทโธอยู่ที่ใดธรรมโมก็อยู่ที่นั้นสังโกก็อยู่ที่นั้น ความเกิดอยู่ที่ใดความตายก็อยู่ที่นั่นความแก่ความเก็บความตายก็อยู่ที่นั่นความเกิดก็อยู่ที่ทั้งทั้งสกรกายความแก่ก็อยู่ทั่วทา้งสักลละกายความเก็บก็อยู่ทั่วทั้งสกลลรกายความแตกสลายก็อยู่ทั้งทั้งสกลละกายนั่นเราจะพหาที่อื่นก็ไม่ถูกได้อยู่ที่ไหนเสียก็อยู่ที่นั่นได้ก็ใจเป็นผู้สมมุติได้เสียก็ใจเป็นผู้สมมุติเสียนั่นถูกไหม ดีก็ใจเป็นผู้สมมุติว่านี่ชั่วใจเป็นผู้สมมติว่าชั่วนะแต่พุทธศาสานาสมมติถูกเนอะศาสนาอื่นสมมุติไม่ถูกเนอะค่าสัตว์ไปสวรรค์แต่เขาจะค่าพระเยซูมายอมวิ่งนี้เลย <c oughs> น, น, น, ยลนั่นคำสอนได้ในไตรโลกธาตุเป็นเมืองขึ้นคําสอนในพุทธศาส น, นาหมเ <c oughs> ข้มพิษจะมีกี่ร้านกุศลไปในทางที่เหนือโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคําสอนได้ใดก็ เป็นวังขึ้นคําสอนพระพุทธศา ส, สนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกเทียมในทางลึกซึ่งอันนั้นเทียมในทางสูงเทียมในทางลึกซึ่งเพื่อให้คำหนึงได้หลายทางนั่งพ่อหน่องครองเมืองบางต่างๆไร้ลงสู่มหาสมุทรทะเลโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคําสอนดใดๆก็ไร้ลงสู่คําสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกถ้าเราสงสัยว่าถ้าเราไม่สงสัยว่า รับที่ใดไม่เท่าเขาพุทธศาสตร์สาการปฏิจุบันพุทธศาสตร์สนานมันก็ไม่ยากเดี๋ยวเขาโกหกไปนั่นเดี๋ยวเขาโออกไปนี่แล้วไหวไปกับเขาด้วยไหวไปกับเขาด้วยไหวไปอย่างนี้เป็นไม้รอยน้ําเป็นไม้ซักขี้ควายมันไม่แน่ไกวไปไกวมาอยู่ก็ไม่ถูกถ้าเราเชื่อว่าคําสอนใดๆเป็นเมืองขึ้นคําสอนพุทธศาสตร์สถาหมดเราก็ไม่ต้องคว้าหาเราจะภาวนาพุทธโธอันเดียวก็เป็นเครื่องอุ่นใจ วเราไม่ได้บุคคลไม่ได้สงสัยเราถือว่าคำสอนต่างๆมารวมอยู่ในพุทโธแล้วทำคำสอนต่างๆมารวมอยู่ในพุทโธแล้วเราจะว่าทำโมอันเดียวก็ไม่เข้าใจว่าพุทโธอยู่ที่อื่นไม่เข้าใจว่าทังโคอยู่ที่อื่นก็อันเดียวกันปลาตัวเดียวเราจะตับจับทางหัวก็เป็นปลาตัวเดียวเราจะจับทางกลางก็เป็นปลาตัวเดียวเราจะจับทางหางก็เป็นปลาตัวเดียวอดีตอนาคตก็เป็นปลาตัวเดียวนั่นเอง ทำบุญแล้วมันกลับมาเป็นบาปทำบาปแล้วมันกลับมาเป็นบุญนอกจากจะทำใหม่แล้วราบันสมาธิิของพระเจ้าคามีสมาธิิิของพระนาคามีสมาธิิของพระละหันสมาธิิของพระละหัน์เป็นสมาธิอันเห็นชอบมิมุติญาณทักษณะคาถาเพื่อคำที่จะที่เกิดความรู้ความเห็นในใจที่พ้นจากกิเลสโดยชิ้นเชือ่อมมุติพระสาวรันมิมุติพระคาามีมุติพระนาคามีมุติพระลั ยุคพระสวัสดิบาลเป็นมุตคพ้นเป็นเอกประเทศจักทาคามยังก็เป็นเอกประเทศพระอนาคามยังก็เป็นเอกประเทศพระหารเป็นมุตคพ้นหมดทั้งปวงพ้นเป็นเอกประเทศแต่ระตับคืนอีกเป็นสมุทรเสทีทหารคําว่ามิมุตมิมุตมิมุติทางโรกีพ่อเปาโมศาสตราไม่เอามาหยุดเนาะทีนทางโรกีพ่อเปาโมศาสตราไม่เอามา คำว่ า, าสันทิษทีโกได้ทำทุติศาสตร์นะก็หมายถึงถทุกสศวรรษเอาไปเนต้นไปเขาบอกอาการที่โกก็เหมือนกันถ้าไม้ต่ําก่อนนั้นลงมามันก็ฟอนเฟือมากเช่นพวกโจรเขาก็ลัว่าเขาไปรักอยู่เป็นจะเป็นจัดเป็นสินทิศทีโกม็สันทิศทีโกมันก็ฟอนเฟือเกินไปต้องให้ขอบเคตเรื่องวุติระ ทำไมถึงมโลกุตระโลกะมาปนไปก็เพราะเอาคำสอนศาสดาอื่นมานปนเปมันก็มีสิอาธิแท้คำสอนพุทธศาสนาเป็นคำสอนโล ก, กุตรละทั้งนั้นนะไม่ใช่คำสอนโลกีนั่นหรือเช่นผู้ที่คนที่ควรเชื่ อ, อได้จึงถือเอาแต่พระสวสดา์บันในอันิยต <c oughs> สองคือพรเจ้าโนโช่วยย้ายสามีนี่แล้วสาวกของมของเราจะสาข้อนยืนยันเท่านั้นเหลือตรงนั้นไม่ได้ยืนยันนั่น ศาสนาอื่นไม่ได้เดือนทมเทนะไม่เอาต้องเอามาปนเปนใ น, นาศาสนาพุทธเลยถ้าเขาไม่ประมาทยัญยบวิธีของเขานะเขาจะพ้นเขาจะถึงสุภจรโนโุยยะสามีบ้างหรือไม่มหาปฏิภานสุดอย่าเลยย่าเลยยาเลยเราไม่พูดเข้าข้างตัวเราพูดเขาข้างธรรมเป็นธรรมะชทพบาตรเพราะศาสนาอื่นเขาก็เป็นโล ก, กีเราดีๆนี่เองแม้พระโสดาบันเขาก็ไม่ได้ฉไห น, นพระโสดาบันฉะไหนจะเป็นโล ก, กุตระได้แม่้ผู้ต้นศาสนาของเขา ก็เป็นชุปไม่ได้ถึงชุปจัปโนสันโพธา น, นพุรรมสัตตทีนี้สาวกของเขาจะเอาสุปจิปโนมาจากประตูไหนพระพุรรมสัตตะนะมหาปฏินญาพานสูตรใครก็เห็นอยู่เหมือนกันเลยสุปะทะไปกราบถุนพระพรรมสัตตะศ า, ศาสน า, า, าอื่นถ้าเขาไม่ประมาจันยบวิธีเขาก็ตามไม่สามารถถึงสุปจิปโนอุจุยะยะสามีกิจไม่สามารถถึงสุปจัปโนและอุจุยะยะ สามีจิตจะมามี ม, ม, ม, ม, มาจากประตูไหนของพระองค์ศาสนาขอเร า, <S 2> <S 2> ราเราไม่พูดข้าความตัวเราพูดข้อคามธรรมธรรมาธิปไตย่าท่านพูดนะครับอัญเชิญทุเทศถือศาสนาอื่นก็ไม่สามารถถึงพระสุธรวัเหานเช่นพระซรีบทและพระโมกขลาจึงยอมนับถือพระอัศเชเสียก่อนไม่เลื่อไสพระอัชิแล้วก็สกับว่าเลื่อนสพร ะ, ะพุทธธรรมประสงค์อยู่ในตัวคลายทิฏฐิออกกับ ขนชัยนาตบุตรเทียกรจึงสำเร็จชุปประญปโนได้มกคลาศาสาร์ใธเข้ามาจากศาสนาอืน่นเป็นตัวอย่างอยู่แล้วดังนั้นอันยาบัดทุทเทศซือศาสนาอืน่นจึงห้ามมรดนีาพานคนเราเห็นตั้งแต่อั น, รรอนอันตรียกรรมห้าอันันตรียกรรมหกไม่ไม่เห็นซะ ชาจามพิธานานี้อภัพโคาตุงนี่รำพีสร้างเครัตนามนิทางเอตสวัติมโหตัวชะแปลว่าหกจาพิธานานี้อภัพโพคาตุงโทษยางครับอภิฐานโทษยางหนักหกมาทุฆาข้ามนาพิโกฆาข้ามีาอาหาจาฆาพาลิุบาธรรมลานภุ้ิยองงวอนไตั้งพศยังสองหกแต่จากกยึดตั้งรุธเศราอื่นไม่สามารถจะถึงพระสวดามันอุจุยะยะสามีิตได้มันี่อยู่ ในรัตนสูตรก็มีอยู่สูตรอันนี้เป็นสูตรของพระส ว, วัสดบาสักยะติะะตะทิวิจิจิตันก็สิทธะปตังมาภิยตติจินติจตุหะปายิสิจวิปมุตโตใช้จากพิษา น, านี้อภะโปกาตุงสูตรของพระส ว, ดวัดนะละสักยะติทิวิจิจิ ช, ชาไม่ลูกครั ไม่เสียทศของตนเองไม่รู้คาในพระพุทธเ จ, าสสธเจา้าไม่สงสัยในพระพุทธเจ้าเมื่อไม่สงสัยในพระธรรมพระสงฆ์แล้วท่านก็ปฏิบัติสรวกแล้วไม่สงสัยว่าศาสนาอื่นจะเหนือพระพุทธศาสาานาไปท่านก็ไม่รู้คำท่านก็ตั้งใจปฏิบัติตามสติกําลังของท่านนะเดี๋ยวก็ไม่รู้คำเรียวกว่าตัดความสงสัยวิจิตริษาเรียกเขาเรียกว่าไม่คําเมื่อเมื่อไม่รู้คำ ก, ก่อสีรปัฒนารมาตก็ไม่มีในที่นั่น สัจจะทิฏฐิก็ไม่ถือตนถือตัวสิ่งนี้ที่มันเป็นธรรมใครมาบอกท่านก็เอาเดี๋ยวก็ไม่ถือตนถือตัวสิ่งนี้ที่มันไม่ถูกต้องตามพระเวทนายมีผู้มาเล่าท่านก็ลงเหมือนกันถ้าไม่ลื้อไม่ถือท่านเดี๋ยวก็ไม่ถือตนถือตัวมาเห็นคั้นห้าเป็นตนมาเห็นตนไปขันห้าก็ถูกแต่ว่าเห็นเป็นบางขณะมาเห็นเป็นบางขณะผู้ติจิตจะเห็นอยู่เป็นเรืองนี้ก็คือพระอาหารหันต์นะ ไม่เห็นคันห้าเป็นตนเห็นตนเป็นห้าเป็นคันห้าเนี่ะคือภูมิของพระหรหันต์นะไม่ใช่ภูมิของพระสุรดารันพระสุรดารันเห็นเป็นวางข้างวางข่าวแต่พยายางจะละอพวกที่จะละอัตวาทุ ป, ประทานในเด็ดขาดก็คือพระหรหันต์พระอนาคตมันก็ยังละไม่ได้เป็นผู้เลิกกว่าเขาทั้งพันตัวเล้วกว่าเขาเป็นผู้เลิกกว่าเขาทั้งคันตัเกกวเสมอเขาเป็นผู้ สมมตเขาสําคัญตัวเรื่องขอเขาเป็นผู้ถืว่าเขาสำคัญตัวสมมติเขาเป็นผู้สมมว่าเขาสำคัญตัวเร็วกว่าเขาเป็นผู้เร็วกว่าเขาสำคัญตัวเรื่องขอเขาเป็นผู้เร็วกว่าเขาสำคัญตัวสมมติเขาเป็นผู้เร็วกว่าเขาสำคัญตัวเร็วกว่าเขาเพราะมีอุปทานอยู่กับอาาคาร์มท่านละอันนี้แหละเขาเป็นพระราหาน้องทานทั้งอวิชชาบางไม่รู้แจ้งเสือนะเหตุฉะนั้นผู้พิจารณาว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ผู้อื่นไม่ใช่ของผู้อื่นพ่อหลวงหายใจถอดก็คือจะทํำมาอวิชาให้แตกกระจายทั้งนั้นเอง นักหนักหกผู้พีพนะ่อ น, นิจจังอ น, นิจจังอยู่จะสามารถทําลายอ น, นิจชาบ้างหรือไม่เขาจะบ้าทําสามารถทําลายได้พระงอาจารย์เมื่อเห็นอ น, นิจจังชัด ก, ก็เห็นทุกขังอนัตตาอยู่ในตัวเหมือนกันเมื่อเห็นพุทโธชัด ก, ก็ธรรมโอ ก, ก็ทรงไว้ซึ่งพุโทโธสองโคก็ปฏิบัติตัวคนทุกข์ก็อยู่ที่แห่งเดียวกันเป็นเจ้าสามเกียรติ พุทโธแปลว่าละบาปบเป็นบุญทราโมทรงไววซึ่งละบาปบำเป็นบุญสังโฆปฏิบัติเชื่อละบาปันเป็นบุญ